อาหารกายก็จะให้ขาดตกปกพร่องขานดำรงชีพนะให้เป็นไปแต่อาหารใจใการสแสวงหาความสุขเข้าทางจิตใจเดินยกตรงนั่มนั่งภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีสัมมาชีพอันนี้เราก็จะให้ขาดตกบกพร่องเพื่นให้พวกเราใส่ใจสนใจทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจ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 อายุายี่สิบกปีน่ะกำลังหนุ่มแน่นกิเลสตัเกา่าคงจะเข้ามากะมัง่งเราคิดเดานะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงอย่างนี้หรอกแต่ท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับมันกิเลสมันไหลลงไปเก้งลงไปเหมือนกับคกหลือก้อนหิน ก, กลมกลมเก้งลงจากเขาเราจะนั่นนะมันตกตุ้มในใจมดอะไรตายยากทันวันไม่มีอะไรในตัว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 ทำไมมันจึงหุดไปอย่างนี้เอาเถอะตั้งตั้งต้นไหม่ตั้งท่าใหม่เราจะสำทับหายใจเข้าพดหายใจออกโธเท่านั้นบาดเนี้บังคับเ อ, อท่านบอกว่าวันวันแรกบังคับวันแรกโอ้โหเออเหมือนอกจะแตกเลยทีนคล้ายกับวมอมมันไม่มีที่ออกในใจของเรามันพยายามปีนออกนอกรูนอกทางจนพอแรงท่านว่าไงนะ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 ไม่รู้เขาไม่รู้เรายพอครั้งที่พอวันที่สองออกมาเนี่อพอจะเห็นเลือนลาง เ, าเพียงพั้มเขาเพียงพั้มมาหน่อยๆน่อยพอวันที่สามนี่ยรู้สึกว่าเราเลือกนอกได้แล้วพอวันที่สี่ขึ้นมาเร า, เ, า, เ, าเป็นฮีโร่เลยเป็นผู้นํอแปบลบว่ากิเลสสยบลง ก, กิเลสมันยบลงเลยท่านประกาศในใจเออถ้าเป็นลักษณะนี้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 จนหลวงปู่มั่นท่านนะเออมหาเป็นไงภาวนาโอ้จิตสงบดีมากกรบผมไม่มีอะไรเอ้าจะให้มันสงบสิตรงนาไปพิจารณาสิพิจารณานะพอถามอีกแต่ยังยังไม่ออกแต่ท่านอ้าทําไมต้องพิจารณานะสมาธินะ่นเพียงแต่เหมือนกับเนื้อติดในลาันเท่านั้นเองจะหาความสุขได้ยังไงต้องพิจรารณาเข้าใจไหม